อยู่ปากน้ํานะสะุทรประการค่ะส <c oughs> มุทร <c oughs> ปราการเมืองโบราณยังอยู่เปล่าอยู่ครับยังไม่เปิดบริการหรือเปล่าเปิดครับอเหมือนเดิมมีพัฒนามีมีเพิ่มอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปเลยครับ <c oughs> มาเสวนาเคยไปปะเคยครับเคยวันอาทิตย์นี้จะมีงานจระถิ่นนะครับที่วัดปากพิชัยที่ไหนเปิดใหม่นะคะับถนคองสงนะอยู่ที่สมบูรณปราการนี่ยที่เป็นของวัดกรรมฐานนะวัดวัดของพระอาจารย์เล็กนะอาจารย์เล็กหลวปู่อินถวายไปเป็นประธานอืออยู่ตรงมังบ่อเลยวะไม่ถึงนะครับถนนคลองสงน้ำไปเส้นยังไปเที่ยวไหมครัอ๋อไม่ไปละ ถามอยากจะรู้ท่านไไปทางบางนาตาดนะตากันแล้วก็แยกซ้ายเข้าไปแยกซ้ายไปไปทางสุขวิย์สายเก่าทางที่ไปสวรสดิภมิหรือว่าเลยไปมันอีกทางหนึ่งนะครับทางวิ่งไปทางบางปูอังปูเส้นเก่าครับโสุขมิตนะครับไปจางยังไม่ถึงเมืองโบราณเนี่ย โอ้อยังครับจากบางนาถ้าเราวิ่งกลับอันนี้บางนาตาแล้วก็ออกซ้ายไปทางเส้นของสงนานมันจะเป็นเส้นที่ระบายน้าส่วนภูมิเส้นตักใหม่ที่เป็นเป็นที่ใหญ่ไหมว่านว่าเนื้อที่ประมาณ6กไร่นะครับถ้าโยมถวายให้ให้กับหลงปู่กินทนี่ท่านวัฒท่านอายุเยอะแล้วก็เลยให้อาจารย์เล็กไปสร้าง อกลายก็ไม่ใหญ่มากใช่นะไม่ใช่พระจำบัดก็ห้าองค์พระธรรมดาวัดป่าที่ต้องกว้างๆอยู่ต้องไม่เห็นไม่เห็นหน้ากันนะ <c oughs> <c oughs> แต่จะดีสาหรับญาติโยมให้ญาติโยมได้ไปทำบุญ ถ้าภาวนามันต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาดีกว่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้ชุมชนมันก็พุกพลานมันก็ไม่มีความวิเวกวังเวงที่สร้างพระพุทธเจ้าสร้างพระอรหันต์ต้องเป็นที่วิเวกวังเวง ในป่าในเขาอ่พะพรุธเจ้าท่านก็นบรรลุในป่าตัดสรุในป่าพระอาลายสาวกทั้งหลายก็ก็บรรลุธรรมในป่ากันสถานที่ต้องสงบสงัดวิเวกจะได้ทําให้ใจวิเวกใจจะได้สงบถ้าไปอยู่สถานที่ที่มันพลกพล่าน มีเสียงอืกกระทึกก็คงมีกิจกรรมสารพัดมันก็ทำให้ใจี่มันฟุ้งทำให้ใจไม่สงบใจไม่สงบ ก, ก็ไม่เห็นธรรมธรรมอยู่ในใจอริยสั์สี่อยู่ในใจ ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ไม่เห็นนิโรธการดับของทุกข์ไม่เห็นมรรควิธีที่จะทำให้ทุกข์ดับไปอยู่ในใจทั้งหมดไม่ได้อยู่ข้างนอกถ้ามีเหตุการณ์ข้างนอกเข้ามาจะข้างในใจมันก็มาบดมาบัง อ่าทำวันนี้ทําให้มองไม่เห็นอริยสัจสี่เห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสเห็นแต่ลาบยศสารเสริญน่าก็ไม่เห็นว่าใจทุกข์กับลาบยศสารเสริญไม่เห็นว่าใจทุกข์กับรูปเสียงกิน่นรถ ไม่เห็นว่าทุกข์ของใจเกิดจากความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิน่นรดอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญที่ได้มาไม่อยากสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรดที่ได้มาไม่อยากสูญเสียร่างกายที่ได้มา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 เห็นเวลาจเจริญ อ, อยากจะได้แต่เวลาเสียงไม่เห็นว่ามันทำให้เราเสียใจทุกใจกันเพราะความอยากไม่สูญเสียนาบยศสนเส ร, ริญไม่อยากสูญเสียรูปเสียงกลิ่นนนหรือไม่อยากสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆที่เป็นของเรา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 แล้วหันเข้ามาดูใจก็จะเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นความทุกข์ของใจที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงเกิดลดอยากในลาบยศสารเสริญพอรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็หยุดความอยาก หยุดด้วยปัญญาปัญญาที่เห็นว่าลาบยศสันตเสริญเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันเสียไปก็เลยหยุดความอยากในลาบยศสันตเสริมในรูปเสียงเก่็ดรถได้ พอไม่มีความอยากใจก็สงบมีความสุขขึ้นมานี่คือการบรรุธรรมขั้นต่างๆบรรลุด้วยการไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ยถ้าคนขี้เหงาขี้กลัวก็ไปไม่ได้ ถ้าไปไม่ได้ก็หลุดไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เพราะความเหงาแสดงว่ายังติดอยู่กับสิ่งต่างๆอยู่เวลาไม่มีสิ่งต่างๆเราจะรู้สึกเหงาว่าเวแต่ถ้าเป็นคนที่ใจเข้มแข็งใจที่มีความสงบ ก, ก็จะไม่รู้สึกว่าเวเวลาที่อยู่ ตามลำพังอยู่คนเดียวกลับมีความรู้สึกสุขสบายไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆไม่หุ่นวายไปกับบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะทำให้เห็นธรรมทำให้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยาสัจสี่สามารถ ตับความทุกข์พะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากและมีเครื่องมือคือปัญญาที่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเป็นของเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจมีความสุข แต่สักวันหนึ่งก็ต้องมีวันจากกันเวลาจากกันความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาใช่หไหมตอนนี้คนไทยเราทุกข์ใจกันไม่สบายใจเพราะสูญเสียรูปเสียงกิจรถที่เราเคยเห็นเคยได้ยินเคยสัมผัสตอนนี้ไม่เห็นแล้ว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 ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ไปอยากไม่ให้เสียถ้าไม่มีความอยากไม่ให้เสียมันก็ไม่ทุกข์รที่มันทุกข์เพราะอยากให้อยู่ไม่อยากให้ไปเพราะหลงไม่ไม่มองไม่เห็นความจริงว่าต้องไปว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เที่ยง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 เคยเห็นกันบ้างไหมอาการ32อยู่กับมันทุกวันพอไปเห็นโครงกระดูกเท่านั้นก็ตกใจกลัวทํำไมของที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทําไมไม่กลัวใครไม่มีโครงกระดูกบ้างนอนกับโครงกระดูกอยู่ทุกวันไม่กลัวพอไปเห็นโครงกระดูกข้างนอกนอ ก, กลับกลัวกันขึ้นมา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 เห็นได้เแผนฟันนะก็หลงไปกับผมกดเล็บฟันหนังว่าสวยว่างามพอมองเข้าไปข้างในก็เห็นไม่สวยไม่งามก็เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความรังเกียจขยะขยงขึ้นมาให้ไปดูผ่าสมไม่มีใครอยากแค่ไปกัน ไปดูของตัวเองไม่ได้ไปดูของใครแล้วศพเขาก็มีของที่เรามีนั่นแหละเหมือนกันเปะทุกอย่างมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีไตมีตับมีลำไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารที่กินไปนเมื่อกี้นี้ก็เรียกว่าอาหารใหม่อยู่ในลำไส้นะนี่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 ผักที่เรากินมันมาจากไหนมันก็ต้องมีน้ำมีดินมีไฟมีลมมันถึงจะโตขึ้นมาเป็นต้นข้าวเป็นต้นผักได้เรากินเข้าไปมันก็มาเป็นผมขนเล็กฝันใช่ธรรมชาติมันเล่นกลให้เราดูนะใครจะ เป็นมายากลเก่งยิ่งกว่าธรรมชาติแปลงเอาข้าวเอาผักเอาเนื้อเอาผลไม้เอาน้ำเอาลมหายใจเข้ามาแปลงให้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วเดี๋ยวมันก็แปลงให้กลับกายเป็นดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายหยุดหายใจ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 ร่างกายคนตายนี้ไม่มีาธาตุไฟเป็นเหมือนผักผลไม้เย็นไม่มีความอบอุ่นลมก็ไม่เข้ามีแต่ออกแล้วเหยออกมาเป็นกลิ่นให้เราดมกันเป็นกลิ่นเน่าของของอาการ32แล้วทิ้งไว้เรื่อยๆมันก็แห้งกรอบ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 น้ามันก็ค่อยๆจเจรินโติบโตไปเรื่อยกินเข้าไปเรื่อยๆกินนมกินน้ำต่อมาก็กิกนกล้วยกินของของของแข็งขึ้นกินธาตุดินมากขึ้นมากขึ้นไปผมกนเล็ฟันก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆ เอาใจที่มาครอบครองร่างกายก็ไปหลงคิดว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวเป็นตัวเราของเราใจคือตัวคิดตัวรู้เฉยๆกลับไปคิดว่าตัวเองเป็นธาตุสี่ไปใจนี้เป็นธาตรู้แต่ความหลงไปหลอกให้คิดว่าเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ําลมไฟเป็นร่างกาย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 แต่ก็ไม่รู้ว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของตนเองเกิดจากความอยากของตัวรู้ตัวคิดที่ไปคิดว่าเป็นที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราวิธีที่จะหายทุกข์ก็ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย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 พัดพากจากบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆถ้าได้มาเจอพระพุทธเจา้าได้มาเจอคำสอนพระพุทธของพระพุทธเจ้าก็จะได้ความรู้ให้มาแก้ความทุกข์ใจให้มาหันหนังให้กับราบยศสรรเสริญกับรูปเสียงเกิดนดให้ไปหาที่สงบ ตังอาจวิเวกไปอยู่คนเดียวไปทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากเวลาเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิดนด่นรสอยากในลาบยศสรรเสริญอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งที่มีไปะ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 ร่างกายของภรรยาร่างกายของสามีร่างกายของพ่อของแม่ของลูกของหลานของพี่ของน้องของญาติสนิทมิตรสหายของบุคคลที่เรารักเราเคารพเนี่ยธรรมชาติก็จะต้องมาเอาเขนไปเพราะเจ้าของที่แท้จริงก็คือธรรมชาติคือดินมน้ำลมไฟเนี่ยเป็นธรรมชาติน ดินาน้ำลมไฟเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้ทำลายโลกเวลาดินาน้ำลมไฟมารวมกันก็เกิดเป็นโลกขึ้นมาเวลาดินาน้ำลมไฟแยกทางกันโลกก็โลกก็พังไปแตกไปก็มีเทานี้ธรรมชาติมีทั้งสร้างมีทั้งทำลายร่างกายนี้ก็ธรรมชาติก็สร้างขึ้นมาเวลา ธาตุสีมารวมกันก็ได้ร่างกายเดี๋ยวเวลาธาตุสีแยกทางกันก็ก็ร่างกายก็อันตรธานหายไปนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงคนพบความรู้ที่ทรงคนพบเรียกว่าปัญญาความรู้ความจริงของธรรมชาติรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาติรู้ว่า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 กำลังที่จะหยุดอความอยากได้เอราะมองยังคิดว่าเป็นของเราอยู่นั่นเองแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วมันก็ไปะมันก็ปล่อยได้อืถ้าคิดว่ามันต้องไปก็ปล่อยได้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 เั้นเราต้องรู้จักปล่อยธรรมชาติเวลาธรรมชาติเขาไม่ยอมฟังเราแล้วเราก็ต้องปล่อยอเขาจะไปตามทางของเขาก็ต้องปล่อยเขาไปถ้าไปอยากให้เขามาทางของเราก็ <c oughs> าจะทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> เวลาใครก็จะไปให้เขาไปแล้วจะนอนหลับสบาย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 มันยังไม่มีกำลังพอที่จะปล่อยวิธีที่จะปล่อยต้องหยุดความคิดเพราะตอนนี้ความคิดก็ยังคิดว่าเป็นของเราอยู่เป็นตัวเราอยูเย่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังว่าม่ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ก็ยังไม่เชื่อต้องมาหยุดมันให้ได้หยุดความคิดว่าเป็นตัวเราของเราให้ได้ แล้วเวลาหยุดความคิดได้แล้วจะเห็นว่ามีความสุขเวลาไม่คิดว่าเป็นอะไรเป็นของเรานี่สบาย อ, อกสบายใจเวลาไปคิดว่าเป็นของเราเนี่มันไม่สบายใจจะห่วงจะห่วงจะวิตกกังวลกับของที่เราคิดว่าเป็นของเราพ่อแม่ก็ห่วงลูกเพียงแต่คิดถึงลูกก็ห่วงขึ้นมานะเพราะยังคิดว่าเป็นของเราอยู่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 ภรรยาก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ก็ไม่ใช่ของเราคนทุกคนที่เรารู้จักก็ไม่ใช่เป็นของเรา เ, รเขาเป็นของธรรมชาติธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องคืนธรรมชาติไปกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟกันมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ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 ถึงต้องมาหัดคิดใหม่ก่อนจะคิดใหม่ได้ก็ต้องหยุดความคิดเก่าก่อนเลิกคิดแบบเก่าๆแล้วมาคิดแบบใหม่ๆถึงต้องมานั่งสมาธิกันเพื่อมาหยุดความคิดเก่าแล้วมาเจริญปัญญาเพื่อเติมความคิดใหม่ถ้าเป็นกาแฟาถ้วยเก่าก็ต้องเท ก, กาแฟาเก่าทิ้งไปก่อน ถ้วยมันจะได้มีที่รองรับกาแฟาใหม่เป็นกาแฟาเก่ามันเย็นแล้วกินแม่อร่อยแล้วจะเอากาแฟมันร้อนๆใหม่ๆมาใส่มันก็ใส่ไม่ได้ถ้ากาแฟาเก่ามันยังมีอยู่ในถ้วยต้องเทกาแฟาถ้วยเก่าทิ้งไปเอาไปล้างได้ยิ่งดีล้างให้มันหมดกินหมดรสเลยแล้วทีนี้ก็เอากาแฟาใหม่ใส่เข้าไป ใหม่ลร่อนๆน่ารับประทานเนี yeah. ่ยคือคือการเติมปัญญาการจะเติมปัญญาได้ต้องลบความคิดเก่าออกไปก่อนลบความหลงที่ไม่ความคิดผิดออกไปเพื่อจะได้เอาความคิดถูกใส่เข้าไปความคิดที่ว่าเป็นของเราคิดว่าเป็นของเที่ยงแท่แน่นอนอยัเป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆนี่ ต้องลบทิ้งไปทําคิดเสมอว่ามันไม่ได้เป็นเราไม่ใช่ของเราเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดใหม่ก่อนจะเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ก็ต้องหยุดความคิดเก่าลบความคิดเก่าออกไปทําใจให้ว่างจากความคิดเก่าเวลานั่งสมาธิใจสงบนี้ความคิดเก่าๆจะหายไปหมดใจนี้จะเป็นเหมือนอ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 จะไม่อยากให้เขาอยู่กับเราหรือเป่าไม่อยากให้เขามายุ่งกับเราเสียดาซ้ำไปงั้นต้องมองว่าของทุกอย่างไม่ใช่ของเราเวลาเขาไปเราก็จะได้ไม่เสียใจเวลาเขาอยู่เราก็ไม่ห่วงไม่กนนังวลเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดตอนนี้เราอยู่อย่างมีความทุกข์ไปตลอด ทุกกับคนนั่นทุกกับคนนี้ทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับสิ่งนั้นทุกกับสิ่งนี้เพราะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะคิดว่าทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอทำไม่ได้ก็ทุกข์กันจะเห็นทุกข์ให้ว่าเกิดจากความอยากนีนก็ต้องนึ่งใจเข้าข้างในอันนี้ใจออกไปข้างนอก เวลาทุกแทนที่จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเรากลับไปเห็นว่าเขาไม่ทําตามที่เราสั่งเราก็เลยทุกเนีไปโทษคนอื่นด้วยแทนที่จะโทษความอยากก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีซื้อมาแล้วก็เสียเอซื้อรถมาแล้วก็เสียก็ไปโทษบริษัทขายรถว่ารถผลิตมาไม่ดีเห่งซวยะ ก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันของไม่ดีไปซื้อมาเองถูกเขาหลอกให้ไปซื้อถ้าจะซื้อก็ต้องทำใจแล้วว่ามันต้องพังมันต้องเสียเวลนานมันเสียจะได้ไม่ต้องไปไปโกรธเขาไปโทษเขาเี่ยตอนนี้เราไปแก้ความทุกข์ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้กันไม่ได้มาแก้ที่ความอยากกัน มันก็เลยแก้ไม่จบต้องเสียก็เปลี่ยนใหม่ออมบริษสทเขาก็ใจดีเขาก็เปลี่ยนร่นใหม่มาให้เดี๋ยวก็เสียอีกมีอะไรไม่เสียบ้างได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปทุกอย่างเลาเสียก็เสียใจ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 ก็จะได้มีของใหม่มาแทนที่ของใหม่ขนาดไห น, นเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของเก่ากันใหมาเดี๋ยวมันก็เสียอีกถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเราต้องเข้าไปที่ข้างในดึงใจเข้าข้างในดึงใจออกจากรูปเสียงกลินล่นรสนาคยศสรรเสริญดึงใจเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบ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 มันจะขึ้นหรือจะลงนี่เราไปสั่งมันไม่ได้ถึงเวลามันจะขึ้นมันก็ขึ้นถึงเวลามันจะลงมันก็ลงเห็นไหมน้ำทะเลยังมีขึ้นมีลงไงทำไมเราไม่ไปสั่งให้มันไม่ขึ้นไม่ลงไงเพราะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมเพราะเราเห็นอะไรเป็นธรรมชาติเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแต่พออะไรที่เราเห็นว่าไม่เป็นธรรมชาติเราก็เลยไปยุขข่งกับเขา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 แต่มันก็เปลี่ยนได้ในในระดับหนึ่งเดี๋ยวถึงเวลามันก็เปลี่ยนไม่ได้เนี <Yeah. S 1> ุ่นี้พยายามพยายามศึกษาคําสอนของพ ร, พระพุทธเจ้านะหาวิธีดึงใจให้ออกจากสิ่งต่างๆให้ใจเข้าข้างในให้ได้ถ้าใจเข้าข้างในได้แล้วใจก็จะเห็นธรรมหเห็นอริยสัจสี่แล้วใจก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้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 ที่เราต้องทำกันอันนี้เราศึกษากันเราได้ยินได้ฟังในว่าศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็เอาไปปฏิบัติยพยายามถอนตัวเองเออกจากลาบยศสรรเสริญออกจากรูปเสียงกลิน่นตสไปอยู่ที่สงบสงดแล้วก็ดึงใจให้เข้าข้างในเพื่อจะได้เห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ กะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะทาวารวหาปุราปะิรปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา ยันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริสานิจังุทธาปัจายโนจตารุธรรมาวทาติ อายุวันโนสุขังภาลางาเกยเกิดจะไปวิเวก ม, มั้งไหมน่่เคยมาอยู่สองคืนนะเพื่วมาจา ก, าจากอ๋อแล้คนเดียวนะ่อ พิเวกต้องคนเดียวมาดึงใจออกจากเรื่องต่างๆดึงใจออกจากธรรมชาติมาอยู่ตามลําพังใจก็อยู่อย่างมีความสุขได้การเลือกเจียนนั่นแหละขอะอนุญาตเอาเลยพอเมื่ อ, อไหร่ก็มาแล้วแต่จังหวะนะช่วงบางช่วงคนก็เยอะบางก็บางช่วงก็ไม่เยอะบางทีก็เต็มบางทีก็ไม่เต็ม เราไม่รับจองเก็บ ย, ยุ่งเอาตามมีตามเกิดเี่ไม่ต้องทำงาน่บ้างเหรอรไม่ต้องทำงานเนี่ยมาขอพรครับอ๋อวันเกิดนะ มันนี้วันพนยากั้มเยอะย า, ะยาแล้วเหรอโอแล้วลเป็นไงเขารับได้หรือเปล่าก็ก็ก็เขามีคนอื่นนะก็พระอาจาย์เรองอย่างนี้ใหไปไม่ต้องรองไม่ต้องกดเราเสียใจว่ะก่อนหน้าก็เสียใจครับแต่ว่ามีความคิดหนึ่งคือข้วหมดิะนึกถึงเรื่องเขาเราก็เสียใจแังมันแต่พอมันมาย้อนในว่า ผมเสียใจพราะผมผมได้คำหอดเองอใช่เราไปํำหนดว่าให้มันเที่ยงไงมันไม่เที่ยงมันจบแล้วเร็วตดอไปหนึ่งเส้นเดี๋ยวนี้เหลือพ่อกับลูกคบกันก็ได้บวชแล้วครับลูกก็อยู่กับเราเลยอครับลูกกี่คนสองสามคนไม่ไม่ได้กู้อะไรมาอ่าอเลี้ยงไหว้ยงฝากไว้กับแม่ก็คือคืออยากจะบอก เขาก็อย no so ู่ด you know ้วยกันคือแต่แค่ให้อิสระในเมื่อคุณชอบอนเข้าไปจะอยู่อยู่ลูกหรือใก็ให้พะเลียงดูลูกไปไม่จำเป็นต้องเกี่ยกันอ่าดีก็ดีเดี๋ยวที่ว่านะจะแกได้บวนเรยวหน่อได้ดีก็พยายามศึกษาไปรหัสฝึกสติบ่อยๆความคุมใจว่าอย่าให้คิดพุทโธพุทโธไปเรจะมี นเราจะต้องพัฒนาความคิดมันยังไงเพื่อการว่าคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงของทุกอย่างที่เรามีมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นควอมนี่มันทำใจไม่ได้แต่บอกเขามันมีความคิดหนึ่งที่แบบเพราว่าแล้วก็ผมทุกผมผมคิดเปเองแต่แรกผมไปกําหนดได้เราอยากไงอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วอความความหามนี้อืมเลยรู้สึกว่าผมไม่ได้ทุบเขาแต่ผมทุบผมกาหนดเองตอใช่ก็ความอยากของเราไงที่เรากําหนดก็คือความอยากของเรา อยากให้เป็นอย่างนั้นอยาให้เป็นของเราตลอดเป็นของคนอื่นไม่ได้แต่เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แล้วเขาอยากจะไปเป็นของคนอื่นเขาก็ไปพอเขาไปแล้วก็ทุกความคิดที่เรากำหนดไปนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องเนียทุกเรื่องมันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดตอนนี้มันยังอาจจะไม่เกิดเช่นคิดว่าจะต้องตายจากกันแต่ตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอย่างนี้ แต่เดี๋ยวสักวันมันก็ต้องตายจากกันใช่ครับผมก็เห็นที่ว่าเหมือนกับว่าต่อให้รักกันเวลาตายก็ทุกทีดีงานน่ะทุกอย่างต้องจบไงความไม่เที่ยงก็คือความตายนี่าการพัดพากจากกันก็เรียกว่าไม่เที่ยงครับอก็ไม่แบ่างานเรื่องย่อมีวันสิ้นสุด น, <c oughs> นี่แ <c oughs> อ่าถ้าใจไม่แข่งใจเป็นปกติก็ถือว่ามีปัญญา <c oughs> อูาาจะกดอะไรที้เ ก, ก็พีกพี่เกินเกินไปนี้ไหม เนี่ละไม่สายเกินไปมาเจอธรรมะก่อนนเได้ดายาได้ยาได้ยาไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์ก็กินได้เลยคนถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยอ้โหบางทีเดี๋ยวยิงกันตายเดี๋ยวหลบงานมาขอมากราบอาจารย์มาขอทำใจครับอ่านี่ก็ฟังเทศฟังธรรมไปแล้วมีเวลาก็มาเปีกวเวกมาทําใจให้สงบนี่ก็นั่นหละคือกําลังใจที่แท้จริงความสงบเนี่ยจะทําให้เราใจเรามีพลัง บริกามให้ผมหนที่ครับอ่าอ่ขอให้สําเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาเฮ้ยขึ้นมามาสายทั้งเช้าสายทั้งเย็นนะ ไม่มีเวลาไหนะไม่สายเลยเช้านี้ทันนะคะ คงมีเวลาให้ทางบ้านได้ถามบ้างเพราะเมื่อวานนี้สองวันก่อนนี้ถไม่มีเวลาเลยรครับเดี๋ยวอีกไม่นานจะเริ่มถ่ายทอดอถ่ายเทปสำหรับใช้สาหรับรายการออกทีวีดอเทียมของใครฮะน่าจะของธรรมะทีวีดาจเทียมว่าจะเป็นไม่สดแต่เรากร็ยังจะเป็นแบบเทปแต่ว่าจะไม่ใช้จะไม่ใช้อถ่ายจะใช้กล้องวิดีโอถ่ายเลยเ อ, าอาจจะแบบว่า เลือกถ่ายที่เราสองวังหรืออะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ของใครเลยใครเป็นของของธรรมะทีวีครับอาจารย์<ง>ของดาวเทียมหรือของคนต่อทาเลยไม่ใช่ครับของของลูกศิษย์อาจารย์ที่เคยมาครับอ๋อเขาจะมาขอทำเลยอ๋ อ, อเราต้อทาอาําท่าส่งให้ครับเขาจะให้เราส่งเป็นคนส่งให้เลยใช่ครับเราวางแผนอยู่ว่าจะต้องใช้กล้องวิดีโอตัวหนึงแต่ว่า คนฟังไม่ต้องแล้วนะครับได้แล้วครับชมวีดีโอไปแต่ไอของออกับไอไอยูทูบเนี่ก็ยังทําอยู่ไม่ใช่<า>เราจ<ล>ะแต่ยูทูบตอนนี้สัญญาณดีครับตอนน้องเพิ่มกล้องวีดีโอกล้องเลยกล้องวีดีโอกล้องจะแส่จพกรยานยาทาให้คนที่แบบดูแลเนี่ยง่ายที่สุดตั้งและถ่ายอย่างเดียวโดยที่ภาพสลับเนี่ยจะเป็นภาพว่า จะอาจจะใช้กล้องไอโฟนเนี่ยไปถ่ายคนคนนั่งฟังข้างล่างแล้วเอาภาพมาตัดเอามาตัดต่อยทีมาตัดต่ อ, อทีโัวที่ใช้เวลาถ่ายแค่ข้างล่างแค่ประมาณไม่เกินสิบนาทีแต่ก็ภาพมาคอยใช้สลับสับไปเรอยความจริงภาพมันก็ไม่สำคัญมันสำคัญที่เสียงอะใช่ไหม ฟังธรรมะ <c oughs> <c oughs> มันก็ไี้เสียงมีภาพบางทีมันทำให้เสียสมาธิไปว่เปล่าเดี <c oughs> <nitrogen S 2> ๋ยวมันไปดูภาพแทนที่จะฟังเสียงให้ใครมาฟังวันนี้ใครมาให้คนนี้เป็นใครเลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องเอยฟังผ่านเรียลลี่ออนไลน์ดีสุดแล้วไม่เราักไม่ต้องมีแต่เสียงอย่างเดียว แต่กล้องที่จะถ่ายเนี่ยสูตรจะเน้นถ่ายพระจันอย่างเดียวครับจ ะ, จะไม่ค่อยได้หมุนไปไหนอ ไ, อไอ้กล้องที่ตัวเน้นเน้นถ่ายเนี่ยก็คือจะอ่าจะลงไปเดินถ่ายประมาณใช้เวลาสิบนาทีแล้วก็ข้างบนเพื่อเอาใช้ตับต่อแค่นั้นเองครับเพื่อให้มีเห็นบรรยากาศว่าไม่เปลี่ยนไปนวัออนนี้ก็จะเห็นหลายบุกออก็ลองทําดูสิถ้าไม่มารบกวนการแสดงทำก็ไม่มีปัญหาเลยวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่นะโม ตอนนี้สามยสามสิบค่ะยี่สิบกว่าคนแล้วมีคำถามเข้ามาอีกมีไมค่ะอ่าปล่อยเข้ามาเลยคำถามจากคุณกรเวลานั่งสมาธิกรมฐานแล้วสังขารทำงานคิดนึกปรุงแต่งเราต้องทำใจเป็นคนดูจนมันดับหรือไม่ครับแล้วถึงกลับมาสมรถิต่อหรือว่าแค่รู้ว่าใจมันไหลไปแล้วกลับมาเลยครับ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 ว่าอาหารก็ของใครของมันแยกกันแล้วไม่ไม่ได้มาก้าวไก่กันไม่ได้มาแย่างกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันของอาหารที่จัดให้โยมโยมก็กินไปเลยของอาหารที่พระฉันพระก็ฉันไปเลยจะได้เสร็จพร้อมๆกันแล้วจะได้มาฟังธรรมต่อคือสมัยก่อนที่วัดป่ามันตราหน้่งตาท่านจะพูดธรรมหลังจากฉันเสร็จแล้วฉันไม่ได้พูดก่อนท่านให้ท่านฉันเสร็จญาติโยมฉันแล้วท่านก็จะ ก็ให้ก็พูดสมัยนั้นคนไม่มากมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่สมัยล้งคนมามากและคนเขาก็บางทีต้องรีบกลับบ้านกันท่านก็เลยพูดธรรมะก่อนที่จะฉันใช่ไหมช่วงหลังเนี่ <c oughs> ที่นี่ก็เราก็พูดธรรมะก่อนฉันเวลาญาติโยมมาใส่บาตรวันเสาร์วัอาทิตย์วันพระพอใสอ่ใส่บาตรถวายอาหารเรียบร้อยแล้วก่อนจะฉันก็พูดธรรมะไปก่อน เพื่อที่พอผู้เสร็จคนที่อยากจะกลับบ้านก็ได้กลับไปคนที่จะอยู่กินอาหารต่อก็กินไปอาหารก็ยากจัดไปอาหารที่มาถวายให้ พ, ะพหระพ่อเหลือจากพระก็เอาไปวางให้โยมกินกันถ้ามีโรงทานก็เรื่องอั น, นอันนี้ก็เรื่องของโรงทานก็ ก, ก็กินได้คําถามจากคุณวันนาข้อที่หนึ่งในกรณีที่เราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราได้ขอสิ่งนู้นนี้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 ด้วยบางทีเข้ า, าบางข้อของภิกษุณีมาปฏิบัติด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปศึกษาจาก เ, าเขามีสถาบันแม่ชีแห่งประเทศไทยเลยลองเข้าไปเสิร์ชดูใน Google ดูก็ได้ว่าเขามีข้อ บ, บังคับการปฏิบัติของแม่ชีที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรว่าเขาถือข้อเสกียะหรือเปล่า เศรยฐกก็มีเจ็ดสิบห้าข้อด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องการเช่นเวลาเม่ชีก็บางข้อเขาก็ปฏิบัติเหมือนพระเช่นไม่อยู่สองต่อสองกับผู้ชา ย, ยาไม่ไม่พูดเตียวพาราศีกันไม่แต่เนื้อต้องตัวกันซึ่งถ้าถือศีลแต่นี่มันไม่ได้ห้ามเะนี้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 คุยกับสีกาสองต่อสองไม่ได้ต้องมีผู้อื่นอยู่เป็นสักขีพยานจะได้รู้ว่าไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวพาลาสีกันไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวกันในเวลาให้ของก็ต้องเอาผ้ารับถ้าเป็นผู้หญิงแม่ชีที่เขาเข่งก็เวลาเขาให้ของเขาเขาก็เอาผ้ารับเหมือนกันเขาก็ไม่รับกับมือ หรือให้วางไว้แล้วเขาค่อยหยิบเขาไม่เขาไม่หยิบเขากลั ว, วเดี๋ยวจะไปแตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวมืออาจจะพลาดไปโดนกันนี่เราก็เลยไม่รู้ว่าแม่ชีที่เป็นแม่ชีจริงๆนี่เขาถือเข่งขนาดไหนแต่เท่าที่รู้ถ้าไปอยู่ตามสำนักปฏิบัติของครูบาอาจารย์นี่เขาจะเข่งกันเขาจะปฏิบัติคล้ายของพระกันแต่อาจจะไม่ครบทุกข้อเหมือนกับของพระ แต่ก็มีข้อที่ใช้ใช้ร่วมกันได้ถ้าอยากจะรู้ว่าเมธีของสถาบันมเมธีก็ในเมือางทางนี้ก็มีสถาบันเมธีนี่ก็ลองเข้าไปดูในดูในเว็บไซต์เขาก็ได้เขาคงจะมีรายละเอียดต่างๆก็ ข, ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าการบวชทีนี้ก็มีแบบสองแบบแบบเป็นทางการก็ไปบวชตาม กฎระเบียบของของสถาบันแม่ชีหรือบวชกันแบบตามตามใจฉันก็โกนหัวก็นุ่งขาวไปอยู่คนบางคนเขานุ่งขาวห่มขาวโกนศรีรษะแต่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกขับรถไปทำขับรถไปจ่ายกับ ข, ข, ข, บข้าวซื้อข้าวซื้อของอันนี้เขาเป็นแบบพวกอุบาสิกามากกว่าคือเขาถือเสียงแตก แต่เขาไม่ได้ถือศีลที่ละเอียดกว่านนั้นคำ ถ, ถามจากคุณกับฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่เวลาเดินเรารู้สึกไม่ค่อยสงบอาจเพรเราลืมตาใหม่คะส่วนเวลานั่งรู้สึกตัวจะเอียงไปเอียงมาต้องปรับอย่างไรคะเกออย่าไปสนใจเวลาเรานั่งสมาธิแล้วอย่าไปให้ความสนใจกับความรู้สึกเหล่านั้น ให้เราสนใจอยู่กับพุทธโธพุทธโธเพียงอย่างเดียวแล้วความรู้สึกเหล่านั้นมันก็จะหายไปเราสร้างความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมาเองคิดไปเองนร่างกายมันก็อยู่ของมันตามปกติแต่เราคิดว่ากำลังเองไปทางนี้เองไปทางนั้นมันก็จะมากัางวลแล้วก็จะมาขยับอยู่แล้วขยับไปขยับมาเลยไม่ได้นั่งสมาธินั่งขยับร่างกายเห <c oughs> นเวลาเรานั่งสมาธิเราก่อนจะนั่งเราก็ตั้งตัวให้ตรง ให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายดีแล้วพอเราหลับตาเราพุโทโธแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันอย่าไปมันจะมาคิดยังไงก็อย่าไปเชื่อมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะสงบได้คำถามจากคุณกรณวิทผมเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิช่วงครึ่งชั่วโมงแรกรู้สึกเบาสบายภาวนาพุโทโธ แต่หลังจากนั้นจะเริ่มปวดครับอาการปวดชัดมากผมควรภาวนาอย่างไรครับยิ่งพูดโทยิ่งปวดความจริงมันไม่ได้ปวดเพราะพูดโทรหรอกมือนปวดเพราะมันมันอยากจะลุกมันยิ่งเรายิ่งปวดใหญ่ถ้าจะทำให้มันไม่ปวดมากก็ให้เราพูดโทรต่อไปให้เกาะติดอยู่กับพูดโทรอย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้าไม่ไปคิดถึงความเจ็บอยู่กับพูดโทรแล้วเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะเบาลง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 จิตเห็นจิตเป็นอย่างไรคะก็จิตก็คือเราเนี่ยตัวรู้เห็นเห็นเห็นตัวเราก็เหมือนเรามองกระจกเนี่ยเวลาเรามองกระจกนี่เราเห็นตัวเราถ้าเราไม่มีกระจกเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมถ้าเราอยากจะจิตเห็นจิตจิตก็ต้องทำสมาธิพอจิตสงบจิตก็จะเห็นตัวรู้ตัวรู้ก็คือจิตเนี่ยฉะนั้นต้องทำสมาธิแล้วก็จะเห็นจิต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 ถ้าคิดว่าให้การเลียงดูคนอื่นเป็นหลักก็บวชไม่ได้ถ้าคิดว่าเพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไปบวชหวดแล้วแะจากคำถามจะข้อความครับจะกคุณยาญานิธานะครับถ้าหากเราจะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระอริยะจะยังไหว้เจ้าที่และเจ้าแม่กวนอิมได้ไหมอ๋อเขาไม่ไหว้แล้วละ่ะก็จะรู้ว่ามันเป็นของปลอมมันเป็นของงมงาย ไม่มีสาระไม่มีความจริงอะไรอยู่คำถามจากคุณยานิ t าถ้าหากเราไหว้เจ้าที่เจ้าแม่กวนอิมสีน์ปรามาหถ้าหากไหว้เจ้าที่เจ้าแม่กวนอิมจะถือว่าเป็นสีน์ปรามาหรือปม่หรือไม่คะเออมันก็เป็นหนึ่งในสีลพัตตาปรมาเนี่ยคือไหว้ก็เพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ความ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 แต่คนที่มีธรรมจะเห็นว่าต้องเสียหมดทุกอย่างไม่มีใครไม่เสียเอก็ไม่รู้จะไปไหว้ทาไมไหวมไม้มันก็ไม่มันก็ไม่ทําให้ไม่เสียมันก็เสียอยู่ดีไหว้ไปแล้วก็ทําให้แก่อยู่ดีให้เจ็บไข้ได้ป่วยอให้ตายอยู่ดีแล้วไปไหว้มันเหนื่อยทำไมพวกที่ไหว้ก็คิดว่าไหว้แล้วจะได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันไงก็ไปไหว้กันแต่คนที่เขามีปัญญาเขามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นว่าทุกอย่างมันแก่เจ็บตาย ตัวอย่างมันเป็นธรรมชาติอย่างที่วันนี้เทศให้ฟังได้เห็นว่ามันเป็นปลายรักเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนะตาก็ไม่จำเปไ็นไหวอะไรให้มันเสียเวลาไหวไปมันก็เหมือนเดิมไหวไปมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมคาถามจากคุณพาดาเมื่อเกิดตากระทบรูปแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบใจจึงไปเห็นการการกระทาการที่กลางอก แต่กลับมาอยู่ที่ฐานจิตที่ด้างจมูกหักแล้วเห็นว่าความรู้สึกนั้นค่อยๆเบาลงและไปรวมอยู่ที่จุดเดียวมันเป็นตุบๆสักพักก็ดับไปทําเช่นนี้ถูกต้องไหมคะถ้ามันดับไปก็ใช้ได้เพียงแต่ว่า ม, มันดับแบบชั่วคราวดับแบบสติคือเราสติมามาตั้งอยู่ที่ลงหรือตั้งอยู่ที่อื่นไม่ได้ไปอยู่กับที่เรื่องที่ทาให้เราวุ่นวายใจ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 มัญญาต้องเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงอยากให้เขาเที่ยงอยากในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าให้เป็นของเราก็เลยทุกข์เวลาภรรยาจากกันไปจากเราไปเราก็ทุกข์นะพอเราคิดว่าเขาเป็นของเราถ้าเป็นของเราก็ต้องไม่จากเราไปแต่ทุกอย่างที่เรามีอยู่ต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว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 เหมือนกับคนรับใช้เนี่ยถ้าเราทำอะไรเองในบ้านได้ทุกอย่างเขาจะไปเขาจะลากลับบ้านก็ปล่อยเขาไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราทำได้ทำกับข้าวได้กวาดบ้านถูบ้านได้ซักผ้าเองได้เวลาคนใช้ขอลากลับบ้านเขาไปนีไปก็เหมนว่าอะไรอยู่ก็อยู่ก็เราก็ทำเองได้ไม่อยู่เราก็ทำเองได้ตอนนี้เราทำเองไม่ได้เราต้องอาศัยร่างกายทาหาความสุขให้กับเรา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 ไม่ลำบากครบับอาจารย์คำถามจากคุณมักนะครับปีนี้ผมอายุ22แล้วผมเหมือนสับสนกับความคิดของผมมากครับ <c oughs> เกี่ยวกับอายุหรือผมคิดมากน <c oughs> ี่ไงขนาดคำถามมันยังสับสนเลยไม่รู้จะถามอะไร <c oughs> คำถามจากยูทูบนะครับจากคุณสิริมานะครับตอนเด็กเคยท่องว่ามือนี้ไม่ใช่เราแล้วก็จ้องดูที่มือพร้อมกับท่องออไปดูสักพักก็ตกใจว่านี่แขกับมือนี้ของใครเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะเราคิดไปคิดไปมันก็ทําให้เราเห็นไปตามที่เราคิดเนี่ยถ้าคิดตามความจริงมันก็ทําให้เราปลอด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 แล้วคนนี้ยหมายกาว่าท่านเนี่ยไม่ได้กลับมาสานต่อแต่ว่าโครงการนี้ก็เริ่มต่อโดยที่ท่านดูแลอยู่ต่อเนี่ยในมุมของการแง่สะสมเนี่ยบุญเติมอยู่ตลอดเวลาครับสําหรับตัวองค์ท่านเนะ ท, ท่านก็ทําใบส่วนของท่านนะหมดแล้วไม่เติมนะไม่เติมนคนที่จะมาเติมก็คนที่มาทําต่อคนที่เพราะโครงการนี้บางทีมันต้องมาหางบประมาณมาทําต่อเนี่ยท่านก็ทําท่านเป็นผู้ดําเนินเริ่มต้นโครงการ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 แต่บางโครงการนี้มันอาจจะต้องมาคอยติดตามมาคอยเสริมอยู่เรื่อยๆหมายถึงว่าในแง่ของอ่าตัวตัวบุญที่ท่านจะได้รับครับท่านอจะไม่ว่าท่านจะมาดูแลเองหรือไม่แต่ท่านเป็นผู้เริ่มไว้เนี่ยนั่นก็ได้ส่วนนั้นต่อไม่ท่านอันนั้นท่านทําเสร็จของท่านก็หมดไ ป, อไปเอออจะทําจะาเสริมต่อก็ต้องมาทําเองต่อเหมือนกับเราเราสร้างวัดเสร็จแล้วเราก็ไปแล้ว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 การทำบุญที่แท้จริงก็เพื่อที่ให้เราได้บุญได้หลุดพ้นจากความทุกข์เนีเมื่อเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วการทำบุญก็ไม่มีความจำเป็นต่อไปเป็นพระพุทธเจ้านี้หลังจากทรงตัดสรตวแล้วพ่อองค์ก็ทรงไม่ต้องทำอะไรก็ได้ทำก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นกว่าที่ได้อยู่เมื่อได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะมาทำบุญอีกทั้งหลายเช่นมาสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้กับคนมากน้อยเพียงไร บุญที่ท่านได้มันก็ไม่มากกว่าเดิมเพราะว่ามันเต็มแก้วแล้วถ้าน้ำมันเต็มแก้วแล้วต่อให้เราเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ได้น้ำเท่าเดิมน้ำมันก็จะไหลล้นออกมาแต่ท่านทำด้วยความเมตตาด้วยความสงสารท่านทำแล้วเห็นว่าคนอื่นได้ไประโยชน์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ท่านก็ทำไปแต่ตัวท่านเองนี่จะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้ผลเท่ากัน พระพุทธเจ้าบางลูกท่านก็ไม่สอนใครท่านเรียกว่าปฏิเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหลังจากบรรลุแล้วท่านก็เฉยไม่สอนไม่สั่งใครก็ท่านก็ท่านก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรแต่คนที่เสียก็คือคนที่ยังไม่ได้ดุดพ้นที่อดพนที่ท่านไม่สอนก็อาจจะไปอยู่กับโลกที่ไม่มีใครสนใจก็ได้ อย่างตอนนี้ไปสอนแถวพัทยาใต้ก็คงไม่มีใครฟังตามไปต้ก็ไปอยู่ในยุค ข, ของคนแบบนั้นใช่ไหมของคนกินเหล้าเมายาของคนที่ไม่สนใจธรรมะใช่ไหมเปิดสถานีธรรมะที่พัทยาไหมเงาไม่ได้ได้สปีเป็นรู้คนฟังทด้ไหร่ <c oughs> <c oughs> ผมว่าตัว น, นี้มีประโยชน์กว่าไกลเลยเออตอนนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าทําไมเป็นพระเบเจ ก, กับพุทธเจ้า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 ตั้งกลัวเปิดเราไม่มีใครมเรียนตอนหลังมีพ้ามหาพรห ม, า ม, มาอาราธนาบอกออขอความเมตตาเปิดโรงเรียนหน่อยเถิดแต่คนที่อยากจะเรียนยังมีอยู่น ะ, ะ, ะหลังจากที่ทรงพิจารณาคนก็เห็นว่าคนมันเป็นบัวสีเหลาไ อ, อ้พวกที่มืดบอดพวกพัทยาใต้นี่มันกน็แต่พวกที่หูตาสว่างที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ก็มี ท่านก็เลยไปเลือกสอนคนที่อยากจะรู้ก่อนก็ไปสอนพวกนักบวชก่อนพวกที่เป็นนักบวชนี่เขาอยากจะรู้เขาอยากจะหลุดพ้นกันท่านเลยไปสอนพระปัญจวัคคีย์ก่อนพอสอนปัญปัญจวัคคีย์แล้วเขาก็ติดใจสมัครเรียนสมัครมาช่วยสอนต่อท่านก็เลยไปสอนตามสำนักต่างๆพวกพวกที่เขาดัดนับถือลัทธิต่างๆเขาหลงผิดว่าจะทําให้เ้าหลุดพ้น พมาสอนพวกนี้เขามีปัญญามีกำลังที่จะสามารถรับปัญญาของพระพุทธเจ้าได้เขาก็บรรุกันพร้อมกันเลยแะดงทำทีหนึ่งบรรลุทั้งสำนักเลยห้าร้อยคนเลยมีสำนักหนึ่งเขาบูชาไฟพระเจ้าก็เลยไปสอนว่าไฟนี่มันไอตัวที่เป็นไฟก็คือกิเลสเ่นานี้แหละไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเถ้าอยากจะให้ ใจเราสงบใจเราเย็นเราก็ต้องดับไฟพวกนี้ดับ oh ราคะโทสะโมหะพอเขาฟัง เ, เข า, เ, าเข้าใจ เ, าเขาก็ดับราคะโทสะโมหะได้เขาก็หลุดพนดาที่เดียวพร้อมกันเลยห้าร้อยคนอันนี้ก็เลยทำให้โรงเรียนนี้ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเรยพอมีคนสนใจมากขึ้นมาเรียนมากขึ้นแล้วก็มีอาจารย์มาช่วยสอนพระอาหารหันต์นี่ก็เป็นผู้มาเผยแผ่ธรรมะให้กับพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่ง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 มาทําเป็นผ้าจีวรจนไม่มีพอใช้องค์ตระกูลเลยต้องบอกให้ทอดกรถินเงินถวายผ้ากันเมื่อก่อนนี้มีแต่ใส่บาตรอย่างเดียวไม่ได้ถวายผ้าเพราะคิดว่าผ้าผ้าต้องหาผ้าเองก็เลยไม่มีใครถวายเพราะทำเนียมของผ้าเมื่อก่อนแรกๆนี้หาผ้ากันเองไปหาผ้าที่เขาพระใช้ใช้เป็นผ้าห่อศพไปตามป่าช้าก็ถึงเรียกว่าผ้าป่าเนี่ยผ้าบางสกุลเรียกว่าผ้าป่า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 นี่ก็เป็นที่มาของโรงเรียนพระพุทธศาสนาถ้าเปิดแล้วไม่มีนักเรียนกระจกพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าไปถ้าเปิดแล้วมามีคนมาเรียนก็เป็นพระอารันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนรู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ก็ไม่มีใครรู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครมาเรียนรู้ความรู้จักท่านก็เลยไม่รู้ว่าท่านมีความรู้มากน้อยเพียงไร ก็เลยที่ว่าท่านเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งบดมามีข่าใหม่ไหมคำถามจากคุณอนิจจังถ้าเรานั่งดูลมพร้อมกับบริกรมรมพุทโธกําหนดที่จมูกพอลมหมดแต่เรายังบริกรรมอยู่เราจะกําหนดลมตรงไหนคะก็อย่าไปกําหนดลมแเอาพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับพุโทโธไปเป้าหมายก็อย่าให้คิดอะไร ถ้ายัางคิดได้อยู่ก็ต้องพูดโทรไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อแล้วมันหยุดคิดเอง<ม>ตอนนั้นก็ไม่ต้องพูดโทรตอนนั้นก็จะนิ่งเฉยสงบมีความสุขก็ปล่อยมันสงบไปใช้สติประคับประคองไปให้รู้ให้รู้ว่ามันสงบให้รู้ให้มันไม่ให้มันคิดมันจะคิดก็หยุดมันคิดด้วยสติไปมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปได้นานๆคานถามจากคุณบ้าน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 จะต้องมีปัญญาควบคู่กันไปถึงจะได้ผลดีถึงแม้จะเป็นเพียงปัญญาแค่ขั้นที่หนึ่งและสองเท่านั้นหนูเข้าใจถูกไหมคะพอถึงขั้นวิปัสนาถึงจะได้ปัญญาขั้นที่สามก็ปัญญามันก็อย่างที่บอกทําอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรมันก็เป็นปัญญาอย่างเป็นรักษาศีลเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังรักษาศีลอยู่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าสมาทานศีลห้ากลับไปก็โกหกกันกลับไปก็กินเหล้ากัน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 ปัญญาที่เห็นใจลักเห็นอริยสัจสี่อย่างนีเรียกว่าปัญญาแั้นก็มีปัญญาแบบพื้นฐานปัญญาทั่วไปแล้วก็ปัญญาในระดับวิปัสสนาปัญญาคําถามจากคุณเกตอ่านเรื่องการบรรลุธรรมบรรลุพระโสดาบันบางที่ก็บอกว่าง่ายแค่มีความเคารลบในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์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 เปลียนไปจองศาลาได้แล้วก็เฉยๆจองก็จอง อ, อย่างนี้ก็เป็นโซดาได้แต่ถ้าตื่นเต้นตกใจก็เป็นโซดาไปอำ <c oughs> ถ, ถามจากคุณชวนภาวนาจนถึงที่สุดแล้วจิตจะเกิดปัญญาเองหรือว่าต้องพิจารณาแล้วจะเริ่มพิจารณาอย่างไรถึงจะละกิเลสได้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 ก็คือตอนที่เรานั่งอยู่แล้วแล้วพอจิตเรานิ่งครับก็คือเห็นเห็นเหมือนตาที่เราเห็นเลยอยู่ข้างหน้าเราออจะทําเรื่องอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยฮะอืม hmm. หรือตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันอืม hmm. ก็ <c oughs> สุกแับที่เราไม่เคยสุกมา ก, ก่อนเ hmm. หมือนกับฝันเนี้ยเราตัวเราเนี้ยไปจริงจริม hmm. อย่างเงี้ยอ่าผมไม่แน่ใจว่ามัน คิดเองหรือที่ว่าเห็นเห็นอะไรอะอย่างเช่นตอนที่หน้าเห็นคนก็มาอีกทำอะไรกันเนี้ยเป็นฝลั่งแต่ว่าเห็นด้ตานะไม่ไม่ได้แ่บมันเห็นด้วยตาไม่ได้เราไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นสมาธิอย่างอถ้าเป็นสมาธิมันจะไม่เห็นอะไรมันจะว่างว่าอมันจะเห็นแต่ตัวรู้ตัวเราตัวที่กําลังรู้อยู่เห็นแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้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 บินเข้าบินออกแต่ว่าก็ไม่ได้บริกรรมอะไรแต่ว่าเราก็มองจะมีความรู้สึกว่าเราออกไปที่นกตัวนั้นได้โดยที่เรานอนเราเอนหลังอยู่อันนี้ก็เป็นลิมิตที่เ ร, เราเห็นแบบหลับตาเราเห็นแบบดึงตาดืงตาเราเห็นสิ่งที่เราเห็นเป็นนกจริงๆหรือเปล่านกจริงๆบินเข้าบินออกแต่ว่าเหมือนกับพ อ, อไปถึงนกตัวนั้นแล้วก็ตื่นเต้นตื่นก็รู้เลยว่า้ ที่เราอดอาจากจล่างเหรออะไรเงี้ยแ้วเราก็ตื่นเต้นพอตื่นเ ต, ต้นเสร็จก็เหมอือนกับเข้าไปใ น, um ong, ในอุโมงค์อะไรบางอย่างเนี่ยอ่ามันไม่ได้ออกจากล่างหรอกจิตมันไม่เคยอยู่ในล่างอยู่แล้วจิตมันก็ไปส่งไปอยู่ที่นกแทนที่จะส่งมาอยู่ที่ร่างกายเหมือนเราใช้ไฟฉายแล้วก็ติดจิตเราจะมาใช้อยู่ที่ร่างกายเราแต่พอมันมีเรื่องอะไรมันก็ไปใช้อยู่อีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็อีกอ่าช่วงสิบปีมาเนี้ครับอาจารย์ผม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 มันเป็นงานที่มันจะทำให้เกิดรายได้เกิดผลสาเร็จหรือเปล่าถ้าเราไม่วิเคราะห์ก่อนแล้วเราไปทำมันก็อาจจะไม่สาเร็จหรือว่าถ้าเราวิเคราะห์แล้วมันน่าจะสาเร็จแต่ไม่สาเร็จมันก็ต้องอาจจะเป็นเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้ไม่สาเร็จนี่นมันเป็นเรื่องของเหตุของผลที่เราจะต้องไปวิเคราะห์ดูเพราะว่าแต่ละครั้งที่จะเริ่มทำเนี่ยคือ มันคิดแล้วมันไม่มีทางทจะล้มครับอืมแต่พอทําไปจนถึงจุดหนึ่งมันมีเหตุที่แบบอที่เราคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับก็ก็แสดงว่าเราเราวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เรามองข้ามไปเหตุบางอย่างปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเราไม่เห็นดังั้นก็ทําแบบง่ายๆเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ย แต่เนี่ก็เดี๋ยวธนาคารเจ๊งเองก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ทําอะไรง่ายๆขายขายลอตเตอรี่ไปมันได้แน่ๆกว่าขอพหรือไปหรือไปสบัส ง, งานเป็นลูกจ้างเขามันก็ได้เงินเดือนแน่ๆอยูแแ่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> มันไม่ได้อยู่ที่พรอ่ะถ้ามันอยู่ที่พรก็ทุกคนไม่ต้องทําอะไรมาขอพรอองนันหรืออาจจะมองไปทางธรรมก็ว่ามันเป็นวิบากของเราก็แล้วกัน ชาติ น, นี้คงจะไม่มีทางที่จะทําะไรขึ้นมีทางเดียวต้องบวชเท่านั้นเนะี่ยแล้วไม่ต้ไม่คิดอย่างนี้บนะ้างอ่ะินจะไม่ลองบวช ด, ดูบั่งอาจจะสําเร็จทางนี้ก็ได้ก็ปลานี่ของลูกเนี่ยบางคนบางคนทําอะไรไม่ขึ้นนะแต่ถ้าพอไปบวชปั๊บไปได้เลยเพราะว่าใจเขาอาจจะคิดไม่ได้คิดในทางโลกคิดแบบเอากำํำนงเอากําไรอะไร คิดแต่จะให้ทำอะไรใครมาขอเดือดร้อนก็ให้แจกแถมแจกฟรีแถมฟรีอะไรไปช่วยเขาว่าไม่คิดเงินทองเขาทำไปมันก็เจ้งลุกทีถ้าคนอย่างนี้ไปทาไปบวช ด, ดีกว่าถ้าคนใจบุญอย่าไปทำธุรกิจเลยทำแล้วไม่รวยหรา <laughs> เราใจบุญหรือเปล่า <laughs> มีอีกไหมไม่ถึคทางอง่ะ <laughs> เอาคำสามสุดท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวมิญาตยโย ม, มาจอดรอถวายขององีกคำถาจากคุณหนูถ้ามีคนมาบอกบุญเราแต่เราแต่มาจากที่เราไม่ได้มีความรับถือเลยแต่เราให้โดยขัดไม่ได้เราจะได้บุญแค่ไหนคะสมมติว่าทำไปหนึ่งร้อยบาทจะเหลือบุญให้เราสักกี่บาทคะแล้วถ้าเราปฏิเสธการให้จะเป็นการสมควรไหมคะไม่ลนะ่ะทำร้อยก็ได้ร้อยอยู่ ถึงแม้จะเต็มใจไม่เต็มใจเราก็สละไปเราก็สละเงินร้อยไปก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเต็มใจอาจจะทํามากกว่านั้นอันนี้อันนี้ทำร้อยอาจจะทำห้าร้อยใช่ไหก็จะได้มากกว่าตรงนั้นแต่ถ้าเราทําไปแล้วก็ได้หมดแล้วใช่ไหมก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ